ก็กบบูชาพระรัตนตรัยกับบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนถวายความกรบมายังพระอาจารย์วัฒนชัยพระเถระพันเตเพื่อนศาสตรมิกเจริญพรมายังแม่ชีแล้วก็นักปฏิบัติธรรมทุกท่านก็เป็นกิจวัตร ประจำวันของวัดป่าสุกโตที่เรามาร่วมกันทำวัดวันนี้ก็เป็นเช้าของวันอังคารที่2ี่มกราคมพุทธศักราช2558้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราได้ปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาร่วมกันไหว้พระสวดมน นะก็เป็นการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสตินะซึ่ง <c oughs> ตรงนีน้ก็ถือว่าเป็นการที่เราได้มาฟื้นฟูนะหรือว่าปลุกนะตัวเองให้ตื่นขึ้นนะการระลึกถึงพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นการให้กำลังใจนะกับตัวเราเอง ให้ใจเราน้อมระลึกถึงนะสิ่งที่เป็นกุลงามความดนะีสิ่งที่เราบูชานะในแง่ของชาวพุทธนะการน้อมระลึกถึงพระพุทธนะ น, นี่ก็เป็นการร <c oughs> นะลึกถึงพระพุทธเจ้าซึนะ่งเป็นคนแรกนะที่สามารถผ่านพ้นนะความทุกข์ไดนะ้แล้วก็ได้ถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบัน นะแล้วก็ทำให้เรามีความมั่นใจนะว่าชีวิตที่มีความทุกเนี่ยมันมีทางออก <c oughs> มันสามารถที่จะผ่านพ้นได้นะโดยมีตัวอย่างก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะในแง่ของการน้อมระลึกถึงพระธรรมนะก็เป็นสัจธรรมความจริงนะที่พระพุทธเจ้าได้ <c oughs> นำมาสอน นำมาแสดงนะเพื่อที่ให้เราเดินตามนะส่วนพระสงฆนะ์ก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะพระอริยสงฆ์ทั้งหลายนะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรนะวมทั้งครูบาอาจารยนะ์ที่เราได้มีโอกาสสัมผัสได้มีโอกาสรับฟังนะได้เรียนรู้ได้ฝึกปฏิบัตินะได้เห็นปฏิปทาก็ดีเห็นกิจวัตรประจําวันของท่านก็ดี <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้ตัวอย่างนะที่ดีนะแล้วก็เราอยู่ที่นี่นะทุกเช้าทุกเย็นเราก็ได้ยินได้ฟังนะคำสอนคำพูดนะของครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนพระาารนะรอราจารย์ไพศาลนะหรือครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะซึ่งตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นการ <c oughs> ส่งเสริม นะให้กำลังใจนะกับการเดินทางนะไปสู่ความพ้นทุกขนะ์ซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้เรามีความมั่นใจในการที่จะเดินทางนะไปสู่ความพ้นทุกข์หลายคนมาที่นี่ด้วยความทุกข์ในใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแลนะก็ถ้าเราอยู่ในสังคมในโลกเนี่ยบางทีมันก็มีทางตันมันไม่รู้จะไปทางไหนนะพัก าจากการใช้ชีวิตในโลกสักชั่วระยะหนึ่งามาที่วัดป่าสุกโตามาพักผ่อนกายใจามาหยุดชั่วครั้งชั่วคราวชั่วขณะ <c oughs> มาดูมาช่องทางาที่จะให้ใจเนี่ยมันออกไปจากความทุกข์ความอึดอัดาทางตันทั้งหลายาหลายคนก็ <c oughs> ได้รับประโยชน์ มาใช้บรรยากาศของวัดป่าสุกโตนะที่เป็นสถานทีนะ่ที่เงียบพอสมควรนะไม่ถึงกับเงียบจนไม่มีอะไรเลยนะก็มีเสียงดนตรีบ้างมีอะไรบ้างก็เป็นธรรมดานะเพราะเราอยู่ใน <c oughs> ในสังคมในหมู่บ้านในชนบทนะนั้นก็ไม่ได้เป็นปัญหานะอย่างเวลานี้ขนาดนีนะ้เป็นช่วงที่สงบพิเพนะิเป็นบรรยากาศที่ให้เราเนี่ย ได้มาดูหน้ากายดูใจของเราน้าใช้สติสัมปชัญญะหน้ารือความรู้สึกตัวหน้าที่เราได้ฝึกฝนน้อยู่เป็นประจำน้าจากสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเราก็เอาไปทํหน้าเราจําได้เราก็ไปทำเอาไปปฏิบัติน้โดยเฉพาะสติปัฏฐานหน้ตะกี้นี้เราก็ได้สวดมาสติปัฏฐานสูตรน้ซึ่งจริงๆริ สูตรสูตรนี้เนี่ยยาวกว่านี้มากนะแต่ในที่นี้เนี่ยตัดเอาเฉพาะหมวดกายนะเพราะว่าเป็นเป็นหมวดเริ่มต้นนะที่เราสามารถที่จะฝึกนะเริ่มต้นได้ง่ายกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ <c oughs> เราเห็นได้ง่ายนะเป็นของที่เราสามารถจะฝึกเริ่มต้นนะเพื่อที่จะไปเรียนรู้สิ่งที่มันละเอียดอ่อน นะ่ก็คือจิตใจความนึกคิดอารมณ์ต่างๆนะซึ่งอันนั้นยิ่งไม่มีตัวตนแต่กายเนะี่ยมันมีตัวตนให้เราสัมผัสได้เห็นจริงๆโดยเฉพาะยังยิ่งนะ <c oughs> การที่เรามารู้สึกตัวนะที่กายเคลื่อนไหวนะรูปแบบของการปฏิบัติของที่นี่ก็ชัดเจนนะการเดินจงกรมการสร้างจังหวะนะเป็นรูปแบบที่หลวงพ่อเทียนนะท่านได้ นำเสนอไว้เมื่อ50ปีที่แล้วนะแล้วก็สืบต่อมันจนถึงปัจจุบันทีนี้จากบทที่เราได้สวดกันไปเมื่อสักครู่นี้เราจเจนว่ามันไม่ได้เฉพาะอยู่ที่การเดินการสร้างจังหวะเท่านั้นการมีสติหรือความรู้สึกตัวเนี่ยนะมันมีอยู่ในอิริยาบถต่างๆนะทั้งยืนเดินนั่งนอนนะจนถึง กิริยบทต่างๆที่เราทำในกิจวัตรประจำวันนะไม่ว่าจะเป็นการตื่นการหลับการกินการดื่มการเคีเ้ยวการลิ้มการอุจจระปัสสาวะการ <c oughs> สวมเสื้อนะในในในบทสวดใช้ว่าสังคตินะในแง่ของชาวบ้านก็คือการสวมเสื้อนะการนุ่งห่มต่างๆ นะก็ให้มีความรู้สึกตัวนะซึ่งตรงนีเน้เป็นสิ่งหนึ่งนะที่จะทำให้การเจริญสติของเราเมีความต่อเนื่องนะก็คือต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นยันหลับการเจริญสตินั้นถ้าเราเพียงแค่มาสนใจหรือใส่ใจกับเพียงแค่รูปแบบก็คือเฉพาะการเดินจงกรมการสร้างจังหวะเนี่ยมันก็ได้ เพียงแค่ชั่วขณะหนึ่งมันไม่มีความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเมื่อเราเลิกนะหรือออกจากการปฏิบัติในรูปแบบแล้วเราก็อย่าลืมพยายามที่จะให้มีความรู้สึกตัวกับสิ่งที่เราทําอยู่เฉพาะหน้ า, นาซึ่งตรงนี้เนี่ย <c oughs> มันจะทําให้การเจริญสตินั้นมีความต่อเนื่องอย่างที่หลวงพ่อเทียนก็ดีท่านได้พูดเอาไว้ นะผู้ใดเจริญสตนะิอย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่นะภายในสามปีเป็นอย่างนานนะอย่างกลางก็หนึ่งนปะีอย่างเร็วก็ตั้งแต่1นึงวันถึง9ก้าสิบวันความทุกข์จะลดลงนะนนี่เป็นสิ่งที่ท่านได้จากประสบการณ์ถ้าเราย้อนหลังไปถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านก็พูดไว้นะในมาสติปฐานสูตรเนี่ยว่าผู้ใดเจริญสตนะิอย่างต่อเนื่อง นะภายใน <c oughs> อย่างนานเจ็นะปีอย่างกลางก็เจเดือนนะอย่างเร็วที่สุดตั้งแต่1วันถึง7วันนะก็จะมีอันนี้สองสองอย่างนะก็คือเป็นพระอาหารหันต์หรือเป็นพระอนาคามีซึ่งพระอาหารหันต์ก็คือคนที่หมดทุกข์แล้วนะส่วนพระอนาคามีก็ยังจะต้องอมีทุกข์อยู่แต่ว่าก็เบาบางลงนะอันนี้ก็เป็นสิ่งยืนยัน อยู่ในคำพีก็ดีในคําพูดของครูบาอาจารย์ก็ดีนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเราก็ได้แต่ฟังแล้วก็น้อมนำไปปฏิบัติแล้วพิสูจน์ว่ามันเป็นจริงไหมนะเราเชื่อเรามีความศรัทธานะว่าอันนี้เป็นหนทางนะที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เมื่อเรามีความเชื่อมีความศรัทธาแล้วเราก็ต้องมีความเพียรลงไป มีแต่ความเชื่อแต่ไม่ได้ศรัทธาไม่ได้ความเพียรไม่ได้ปฏิบัติลงไปนะมันก็จะทาให้ศรัทธาเนี่ยนะไม่เอ่อไม่ตั้งมัน่นนะเป็นศรัทธาที่เสื่อมถอยได้เราได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์พูดนะเราก็รู้สึกอืมพอใจในการฟังแต่ว่าเราไม่ได้ทำไม่ได้ลงมือปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่เกิดผลแล้วก็ความศรัทธาที่เรามีเนี่ยมันก็จะเสื่อมคลายไป ยิ่งถ้าเราไปติดครูบาอาจารย์นะบางทีครูบาอาจารย์เปลี่ยนไปนะอย่างตอนนี้มีข่าวว่ามีพระนะทีเ่เพชรบูรณนะ์ท่านก็ต้องอประราชิกนะก็คือไปเสพเมทุนนะกับลูกศิษย์นะแล้วก็ต้อง <c oughs> ลาศิกขาไปนะตอนนี้ก็เป็นข่าวในวงการที่ใหญ่โตเป็นพระที่มีชื่อเสียงดงดัง นะ น, นี่ก็ทำให้หลายคนนะก็เสื่อมศรัทธาไปเพราะว่าไปติดที่ <c oughs> ตัวครูบาอาจารยนะ์ไม่ได้น้อมนำเอาสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยมาปฏิบัติทีนี้เมื่อเรามีความศรัทธาแล้วน้อมนำเอามาปฏิบัตินะก็มีความเพียรความพยายามนะกระทำลงไปนะตรงนี้ก็จะทำให้เกิดผลขึ้นมาความเพียรความพยายาม ในการที่จะฝึกฝนปฏิบัติก็คือการทําในสิ่งที่ท่านได้พูดเอาไว้นะโดยเฉพาะยิ่งการเจริญสตนะิการที่ให้เรากลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวบ่อยๆทุกเมือ่อนะมีสติไปในกายทุกเมือ่อจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มเคี้ยวพูดนิ่งนะตื่นหลับอุจลรัปรสาวะ หรือทำกิจาการอะไรต่างๆก็ตามนะเราสามารถที่จ ะ, <c oughs> จะเจริญสติได้ทั้งนั้นนะเราไม่ได้ไปจํากัดเพียงแค่อยู่ในรูปแบบนะทำครัวก็มีสติได้กวาดลานวัดก็มีสติได้นะล้างห้องน้ำก็มีสติได้ <c oughs> เพียงแต่ว่าเราไม่ได้เราอาจจะหลงลืมไปบ้างนะเป็นบางครั้งบางขณะลืมไปแล้วไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่ เพลอไปแล้วไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เรื่อยๆนะความรู้สึกตัว เ, เป็นสิ่งที่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เรื่อยๆนะมีความศรัทธามีความเพียรมีสติมีสมาธนะิคือความตั้งใจมั่นในการที่จะมีสติอยู่ทุกเมื่อแล้วนะก็ใช้ปัญญาพิจารณานะในสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับกายกับใจ ปัญญาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงปัญญาที่เกิดจากการคิดนึกนะแต่เป็นปัญญาที่เกิดจากการเห็นความจริงของกายของใจขณะที่เรานั่งฟังอยู่ตอนนี้อากาศมันหนาวกายมันหนาวมันสั่นนะหรือว่า <c oughs> ความง่วงเข้ามาเนี่ยเราเห็นมันไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกเลยมันแสดงออกมาธรรมะเนี่ยมันแสดงออกมาให้เราเห็นทุกเมื่อเพราะนั้นปัญญานี่ก็คือการที่เรารอบรู้ สิ่งที่เกิดขึ้นภายในกายภายในใจของเราโดยไม่ได้ใช้ความนึกความคิดนะใช้ความรู้สึกตัวสติเนี่ยมันจะพาปัญญามาเองนะมีสติเขาจึงเรียกว่าสติปัญญาสติสัมปชัญญนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย เ, เราเรียกมันว่าเป็นพระห้านะก็คือพระหก็คือศสธาวิระยะสติสมาธิปัญญา อันนี้เป็นเป็นกำลังนะในการที่เราจะใช้นะในการที่จะฝึกฝนปฏิบัติตัวเราเองนะทำบ่อยๆทำเรื่อยๆซ้าแล้วซ้าอีกกลับมารู้สึกตัวที่กลายเคลื่อนไหวซ้าแล้วซ้าอีกตรงนี้มันจะทำให้เกิดนิสัยนะเกิดเป็นนิสัยแห่งความรู้สึกตัวโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะถ้าเราไม่ได้มาฝึกเนะี่ยเราก็มักจะหลงไปกับความคิด หลงไปกับอารมณ์หลงไปกับเรื่องราวต่างๆจะเป็นเรื่องในอดีตก็ดีอะไรอาวรณ์กับเรื่องในอดีตหรือไม่ก็วิตกกังวลไปกับอนาคตที่ยังไม่เกิดซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราเนี่ยไม่ปกติถ้าได้รับสิ่งที่เป็นความสุขใจเราก็ฟูขึ้นมาเจอสิ่งที่เราเป็นความทุกข์ไม่พอใจ ใจเราก็แฟบลงไปเพราะนั้นในสังคมในโลกเนี่ย <c oughs> มันมีรสชาตินะที่ทำให้เราสุกสุขทุกๆชีวิตเราก็ฟู ฟ, ฟูแฟบแฟบใจของเราก็เหน็ดเหนื่อยนะกับความที่มันไม่ปกติแต่สุดท้ายเนี่ย <c oughs> เราจะสังเกตนะว่าใจมันจะคืนสู่ความเป็นปกติเสมอขณะที่เรานั่งฟังอยู่นี้ใจเราเป็นปกติอยู่ใช่ไหมนะลองสังเกตดู ใจมันเฉยๆปกติมันเป็นอย่างเงี้ยใจปกตินี่แหละนะที่มันรักษาให้ชีวิตของเราเป็นปกตินะไม่เป็นบ้าเป็นบอไม่เป็นโรคประสาทนะคนที่ไปหลงอยู่ในความสุขหลงไปอยู่ในความทุกเนี่ยนะมีโอกาสที่เป็นโรคประสาทได้ง่ายนะเป็นคนที่จะมีความทุกข์ง่ายสุขยากแต่ถ้าเรามีสติแล้ว น้เราเห็นความเป็นปกติของใจอยู่บ่อยๆมันก็จะทําให้เรามีหลักน้ามีที่พักหรือมีบ้านที่แท้จริงบ้านที่แท้จริงของใจก็คือความเป็นปกตินั่นเองการที่เราไปละเหยื่เล่ล่อนกับความสุขความทุกข์เนี่ยสุดท้ายมันจะกลับมาปกติเหมือนเราละเหยื่เล่ล่อนไปในที่ต่างๆน้าเราอาจจะ <c oughs> ไม่รู้เท่าทัานตรงนี้ เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราพึงปฏิบัตนะิให้ต่อเนื่องนะโดยเฉพาะยงยิ่งอยู่ที่วัดป่าสกโตอันนี้ถือว่าเป็นเป็นกิจหรือเป็นงานที่ที่สำคัญนะที่เราควรจะกระทำนะมากกว่าที่จะไปสันทนาการสวนเสเฮหานะคุกทีอยู่ในหมู่กลุ่มนะซึ่งตรงนั้นมันก็ สนุกสนานดีมันเพลิดเพลินดีมันอบอุ่นใจดีแต่ว่าเราด้ไม่มีโอกาสนะที่จะมาได้เรียนรู้นะกายใจของเราจริงๆมันก็จะเสียเวลาไปนะกับการที่มาวัดป่าสุกโตเรารู้หลักหมดเลยเราปฏิบัติแต่มันมักจะมีอุปสรรคที่จะมาขวางกั้นนะทําให้เราเนี่ยอาจจะทําไม่ต่อเนื่อง อุปสรรคสำคัญที่เราเรียกมันว่านิวรนนั่นเองนนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้เท่าทันนิวรนตัวแรกที่ชัดเจนมากที่สุดสําหรับคนปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่ก็ตามก็คือความง่วงนะความง่วงหลายคนเข้าใจว่ามาปฏิบัติเนี่ยจะต้องไม่ง่วงนะมาถึงก็ตื่นตาตื่นใจเลยไม่ใช่ปฏิบัติไปเนี่ยมันก็จะง่วง โดวยเพาคนใหม่ๆมันง่วงขนาดหนักเลยละ่ะคนเก่าก็ง่วงเพราะนั้นความง่วงเนี่ยบางทีมันก็ทำให้เราไม่ยกมือทำให้เราไม่เดินจงกรมมันไม่อยากจะทำนะเรียกว่ามันทอนกํากำลังลงนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ย <c oughs> จำเป็นที่เราจะต้องรู้เท่าทันแล้วไม่ยอมจำนนไม่ยอมจำนนกับความง่วงต้องปลุกตัวเอง อย่างเช่นขณะที่เราทำในรูปแบบเนี่ย น, นั่งสร้างจังหวะมันง่วงขึ้นมาเนี่ยทำให้มันเร็วขึ้นทำช้าๆมันง่วงทำให้มันเร็วขึ้นนะอันนี้ก็จะปุกถ้าทำเร็วแล้วมันยังไม่ยอมตื่นลุกขึ้นเดินนะเดินจงกรมเลย <c oughs> เดินจงกรมแล้วยังง่วงอยู่อีกบางทีมีง่วงเรียกว่าหลับกลางอากาศ ก, ก็มีนะก็อลองดูใหม่ เดินให้มันเร็วขึ้นเดินถอยหลังบ้างนะตรงนี้ก็จะเป็นการแก้ก็คือเราต้องแก้อารมณ์อย่าไปยอมจำนนมันบางคนมาใหม่ๆนี่ยอมจำนนเลยนะง่วงก็นอนหลับเลยพิงเสาเลยนะยอมจำนอนอันนี้ก็เรียกว่ายอมจำนอนอันนี้ยังดีนะยังไม่ยอมไปไหนะยังอยู่ตรงนั้นนะ่ะปักหลักลุยกับมันหน่อยนะแต่บางคนนี่ยอมแพ้เลยกับกุฏินอนดีกว่านะเ อ, อตรงนี้ก็เรียกว่าแพ้ไปละ ทำไมต้องมาไปฝึกกับหลวงพ่อเทียนนะหลวงพ่อเทียนนั้นบอกว่ากลางวันไม่นอนกลางคืนนอนนะฝึกจริงๆเอาอย่างนั้นจริงๆเรียกว่ามันจะง่วงขนาดไหนก็มายอมแพ้มันนะนะลุยกับมันเลยนะความง่วงเนี่ยความง่วงถ้าเราไม่ยอมจำนน์มันเนี่ยสุดท้ายนะที่สุดของความง่วงคือความตื่นเพราะนั้นความง่วงเนี่ยมันเป็นเป็นบันไดอะ่ะเป็นฐานที่จะให้เราไปตื่นตัวขึ้นมา เพราะ้นคนที่ฝึกบ่อยเนี่ยก็จะเจอกับความตื่นกันนะในความง่วงมีความตื่นนะถ้าเราไม่ยอมจำนน์เนี่ยอันนี้เป็ น, เ, ป น, เ, ปนเรียกว่าจากอุปสรรคเนี่ยจะกลายเป็นอุปกรณ์ไปเลยอุปกรณ์ในการที่เราจะามาฝึกฝนตัวเราเองอีกอันหนึ่งที่พบกันมากๆก็คือความฟุ้งซ่านความคิดฟุ้งซ่านอยู่ที่บ้านเหมือนมันคิดขนาดนี้เลย โอ้มาปฏิบัติทำไมมันคิดโน่นคิดนี่โอ้ยสารพัดจะคิดเลยนะมันถูกหรือเปล่าเนี่ยเรามาปฏิบัติมันน่าจะเงียบๆมันไม่น่าจะคิดอะไรอ น, นั้นเราไปคิดเอาเองเราไปเข้าใจเอาเองจริงๆความฟุ้งซ่านเนี่ยก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะเป็นธรรมะที่มาแสดงนะให้เราได้เห็นได้รู้เพียงแต่ว่าเราไม่ปฏิเสธแต่ก็ไม่ได้ยอมรับนะ <c oughs> ความคิดเนี่ยไม่ห้ามแต่ไม่ตามความคิดฟุง้งซ่านไม่ห้ามก็คือไม่ต้องไปเก็บกฎมันไม่ต้องไปห้ามแม้มันคิดหลวงพ่อเทียนบอกว่าจิ่งคิดจิ่งรูนะ้คือเอาความคิดมาเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะรู้และตื่นตัวขึ้นมามีสติรู้เท่าทันแต่เราไม่ตามมันไม่ตามคิดไปมันคิดขึ้นมาทิ้งไปเลยไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปใส่ใจเลย ไม่ต้องไปถามหาว่ามันมาจากไหนมันจะไปไหนมันจะจบอย่างไงไม่ต้องไปถามเลยมันคิดขึ้นมาทิ้งเลยกลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเอาตรงเนี้ยชัดๆคิดขึ้นมาเท่าไหร่กลับมาเท่านั้นตรงเนี้ยมันจะได้เรียกว่าได้แต้มได้คะแนนที่จะรู้สึกตัวเพราะนั้นความคิดเนี่ยนะไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยนะเป็นอุปกรณ์นะที่จะทำให้เราตื่นตัวรู้ตัว ขึ้นมานี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งสำหรับคนที่ปฏิบัติแล้วมักจะรู้สึกว่าเออเราไม่ก้าวหน้าเลยการพัฒนาที่เราเห็นได้ชัดก็คือว่ามันคิดร้อยเรื่องเราไม่เคยรู้เลยสักเรื่องหนึ่งอันนี้เรียกว่าเราเริ่มต้นแต่พัฒนาการก็คือคิดร้อยเรื่องเรารู้สักเรื่องรู้ทันรู้ทันเรื่องที่99อย่างเงี้ยมันก็ไม่ทันถึงเรื่องที่ร้อยใช่ดูมันไปเรื่อย เดี๋ยวบางทีมันคิดเรื่องที่90อ้าวอีก10เรื่องเรามันก็ไม่ต่อแล้วนะมันก็จะหดสั้นไปเรื่อยๆความคิดมันจะหดสั้นไปเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยคิดปุ๊บรูปับอ่าอันนี้มันเป็นอัตโนมัติแล้วแต่อันนี้มันต้องเป็นเองนะเราไม่ได้ไปจินตนาการไปบังคับให้มันเป็นพอคิดปุ๊บรูปับเนี่ยตรงเนี้ยละสติมันเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติแล้วมันเป็นเองนะไม่ใช่ไปบังคับไปกะเกณให้มันเป็น เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยนะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะได้มาเรียนรู้นะไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยนะเราอาศัยการเคลื่อนไหวของกายนี่แหละเป็นตัวต่อรองเป็นตัวที่จะเบนความสนใจจากเรื่องที่คิดมาอยู่ที่กายเคลื่อนไหวอันะนี้เป็นสิ่งที่ผู้ที่ปฏิบัติส่วนใหญ่ก็มักจะพบนะแล้วก็เป็นจุดอ่อนนะที่เราจะต้องสังเกต อีกอันหนึ่งที่พบมากก็คือความเบื่อทำอะไรซ้ำซำ้ซักซกักยกมือยกแล้วยกอีกอยู่นั่นแหละนะเบื่อจะตายความเบื่อก็จะทำให้เราไม่อยากทำอีกเหมือนกันเพราะนั้นตรงนี้ต้องอดทนนะต้องฝืนหน่อยนะอดทนขม่มฝืนเบื่อก็ทาไม่เบื่อก็ทาอย่าเอาความขยันหรือความเบื่อมาเป็นตัวที่ให้เราทาขยันก็ทาเบื่อไม่ทำ ตรงนี้เนี่ยเรียกว่ามันเป็นไปตามอํานาจของกิเลสแล้วนะมันไปเชื่อกิเลสแล้วเพราะฉะนั้นความต่อเนื่องมันก็จะขาดช่วงไปแล้วความเบื่อมันก็อยู่ไม่นานแล้ว เ, เดี๋ยวสักพักมันก็ไปถ้าเราสามารถที่จะผ่านความเบื่อได้นะมันก็จะทําให้เราเข้มแข็งขึ้นมาว่าโอ้เราสามารถที่จะผ่านมันได้เราจะมีความอดทนจิตใจมันจะเข้มแข็งขึ้นมาเพราะนั้นตรงนี้เนี่ย <c oughs> เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เรียนรู้น่าจา ก, การฝึกจากการปฏิบัตินะความง่วงความฟุ้งซ่านความเบื่อนะอีกการหนึ่งคือความรักสบายมาอยู่วัดป่าสุกโตกินอาหารเวลาเดียวสองเวลาตอนเย็นก็หิวนอนก็ไม่ค่อยสบายนอนกับพื้นเอาเสื่อปูรนะู้สึกไม่ค่อยสบายนะก็รู้สึก ลำบากนะตรงนี้จริงๆตรงนี้ก็เป็นการมาฝึกนะเมื่อคราวที่แล้วที่มีกลุ่มมาก็มีพระสามรูปมาใหม่เลยนะบวชเพิ่งได้ 3-4 สวันนี้เองแล้วก็มีโยมมาด้วยสองคนทางคนที่ประสานงานมาบอกจะมาอยู่สัก7วัน9วันมาเจออากาศหนาวบอกไม่ไหวแล้วมาดูอยู่ได้คืนเดียวขอกลับเลยนะนี่ก็คือ ก็เป็นการทดสอบเหมือนกันนะคนรักสบายเคยเคยอยู่สบายเนะี่ยมาอยู่ลําบากเนะ่อยู่ไม่ได้นะก็เสียดายเหมือนกันว่าเขาตั้งใจมาแล้วเนาะแต่ไม่ได้มีโอกาสที่จะผ่าน อ, อ, อุปสรรคเหล่านี้นะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าเสียดายแต่สําหรับพวกเราเนี่เราก็ได้ผ่านสิ่งเหล่านี้มานะก็คิดว่าคงจะ <c oughs> ช่วยทําให้เราเนาะมีความเข้มแข็งนะมีอินทรีย์ที่แก่กล้าขึ้น อันนี้ก็เป็นอุปสรรคที่แปลอุปสรรคให้กลายเป็นอุปกรณ์ได้ในการฝึกปฏิบัติเรียกว่าเป็นจุดอ่อนนะที่เราเจะต้องรู้ให้เท่าทันนะแล้วก็อาศัยการเจริญสติกับกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเป็นตัวผ่านอุปสรรคเหล่านี้กลับมารู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆ บ, บางครั้งเผลอไปบ้างไม่เป็นไรเผลอแล้วแล้วไปเริ่มต้นใหม่อยู่เรื่อยๆนะให้กําลังใจกับตัวเอง นะตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งทีนี้มีก็มีบางครั้งนะทำแล้วมันมันทื่อๆมันมันไม่รู้อะไรก็มีเหมือนกันนะบางทีเราเราตั้งใจเกินไปเราทําหนักเกินไปเราก็อาจจะต้อง <c oughs> เปลี่ยนไปทําอย่างอื่นบ้างก็ได้นะเช่นกวาดลานวัดซักเสื้อผ้านะบางทีมันทื่อๆตรงนั้นเนี่ยนะเราหย่อนลงมาหน่อยหนึ่งบางทีมันตึงเกินไปนะ น, นี่ก็ให้สังเกตนะ การยกม้ยกมือเนี่ยให้มีเคลื่อนมีหยุดอย่าไปเคลื่อนโดยอัตโนมัติโดยไม่หยุดตรงนั้นมันจะเพลินไปละนะมันจะมันจะเผลอไปละเพราะนั้นตรงนี้ก็ให้สังเกตนะมันเป็นความละเอียดอ่อนเป็นประสบาการณ์ที่แต่ละคนเนี่ยจงจะได้ประสบพบเห็นนะเป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้เพระาะฉะนั้น <c oughs> การมาอยู่วัดป่าสุก โ, โตเนี่ยนะเราได้ทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ จะทำให้เร า, เาสามารถนะที่จะออกจากความทุกขนะ์ได้จริงหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่เราต้องพิสูจนะ์อย่าเพิ่งเชื่อนะลองดู3วัน5วัน7ดวันหรือบางคนอาจจะอยู่ไปเรื่อยๆนะเราก็ให้โอกาสนะที่วัดป่าสุกโตนี่เราไม่ได้มีระเบียบว่าจะต้องอยู่5วนะัน7วันบางคนก็อาจจะอยู่มากกว่านั้นอันะนี้ก็แล้วแต่ ตามอธัธยาศัยนะถือว่าเป็นสถานที่ที่จะให้เราได้มาฝึกฝนเรื่องพวกนี้จริงๆนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะนําเสนอนะในเช้าวันนี้นะก็ <c oughs> ในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระสีรัตนไตรยนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็คือสติสัมปชัญญนะที่มีอยู่ในตัวเรา พระธรรมคือสัจธรรมความจริงนะทั้งที่เป็นสิ่งที่เราพอใจหรือไม่พอใจก็ตามนะเป็นสิ่งที่แสดงปรากฏให้เราได้เห็นได้รู้นะแล้วก็พระสงค์ก็คือการประพฤติปฏิบัติการเจริญสติการทำกิจวัตรต่างๆด้วยสติของเรานั่นเองนะด้วยความเพียรความพยายามนะความอดทนนะความตั้งใจและศรัทธาที่เรามีนะ ขอให้เป็นพลวะปัจจัยหนุนนำให้ทุกท่า น, นได้สัมผัสกับความเป็นปกติของใจซึ่งเป็นที่พักที่แท้จริงเป็นทางออกจากทุกข์ในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันเถินเจริญพร